อนาปฏิวนันพิกษุีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ868 1. ภิกษพิุีบอกเจ้าของปูเองหรือใช้พูนให้ปูที่นอนหรือนั่งหรือนอน 2. ภพิกษุีผู้เป็นไข้ 3. ภพิกษุีผู้มีเหตุขัดข้อง 4. ภพิกษุีวิกชลชนิต 5. ภพิกษุีต้นบัญญัติสิทธาบทที่ 7. จบ